คือการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราอย่าไปวาดภาพว่าการปฏิบัติทำเนี่ยต้องทําอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้นีนน่เราคิดเอาเองต้องเดินท่านั้นต้องหายใจท่านี้อะไรต่ออะไรนี่ส่วนมากจะเป็นแค่อุบายของอาจารย์บ้างเราคิดเอาเองบ้างหรือนั่งหลับหูหลับตาพอคิดถึงการปฏิบัติก็หลับตาลูกเดียวนึกไม่ออกเหมือนกันว่าทําไปทําไม หรือมีความเชื่อว่าต้องสงบก่อนที่จริงสมาธิจำเป็นแต่สมาธิไม่ได้แปลว่าสงบสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตจิตตั้งมั่นหมายถึงว่าจิตอยู่กับเนื้อกับตัวจิตไม่หนีไปเที่ยวที่อื่นจิตชอบหนีไปเที่ยวน่เวลาเราจะปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่าปล่อยจิตให้หนีไปเที่ยวถ้าใจเราหนีไปเที่ยวแล้วเรารู้กายเรารู้ใจไม่ได้ การเจริญปัญญาหรือการทำมิปัสสนาเนี่ยคือการตามรู้กายตามรู้ใจรู้ว่าจริงๆเขาเป็นยังไงเขาเป็นตัวเราหรือไม่เป็นตัวเราเคอาดูเฉยๆคอยตามรู้ตามดูไปนี้เราอย่าไปวาดภาพว่าต้องทำอย่างงั้นต้องทำอย่างนี้นนถึงจะรู้จะเห็นไอความพยายามทั้งหลายแหล่นั่นแหละทำให้เราไม่รู้ไม่เห็นสภาวะตรงความเป็นจริงเช่นใจของเราเนี่ยปกติจะวิ่งไปวิ่งมา พอเราคิดถึงการปฏิบัติเราก็บังคับให้นิ่งๆ น, น้อมให้นิ่งน้อมให้ซึมๆนะไม่ดีนะใครเขาหลอกให้มาหรือเปล่าเนี่ยหรือสมัครใจมาแต่รู้สึกว่าถูกบังคับให้มานั่งข้างหน้าคือ <c ười> ถ้าเราจะปฏิบัติเอาอย่างง่ายๆสุดจิตนะไม่ต้องคิดมากให้เราค่อยตามรู้ความรู้สึกของเราเองความรู้สึกของเราเปลี่ย น, ปยนแปลงทั้งวัน เดี๋ยวก็มีความสุขเดี๋ยวก็มีความทุกข์รู้จักไหมรู้จักสุขเปล่าเคยสุขนานไหมไม่นานหรอกความสุขอยู่แป๊บๆป๊แป๊บนะเดี๋ยวก็หายละอย่างบางคนเปียแชร์ได้ก็มีความสุขใ่ไหมสุขไปเดี๋ยวเดียวอ่ะเดี๋ยวใช้เงินหมดถูกหวยมีความสุขหุ้นขึ้นก็มีความสุขสุขแป๊บแป๊นะบางคนคิดว่าทำเงี้ยมีความสุข ให้เราคอยรู้ไปรู้ใจตัวเองเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้ายไม่ต้องทำอะไรมากไม่ต้องคิดมากความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นก็ตามรู้ไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่ต้องพูดเรื่องไตรลงใจรักอะไรก็ได้ไม่ต้องพูดเรื่องรูปเรื่องนามก็ได้ไม่มีภาษาแขกเลยก็ได้เรียนภาษาไทยล้วนๆก็ได้ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นรู้ไป นี้ทำไงถึงจะรู้ได้มันง่ายง่ายกว่าที่คิดนะไม่ต้องทำอะไรเลยอยู่ๆก็รู้ได้เคยถูกเพื่อนว่าไหม เ, ออเพื่อนว่าแล้วรู้สึกไงเออโกรธเห็นไหมไม่ต้องทำอะไรก็รู้ได้ง่ายจะตายถูกเขาด่าแล้วโกรธโกรธรู้ว่าโกรธนะเคยมีใครเขาชมบ้างไหมหรือไม่เคยมีใครชมในชีวิตนี้ อ, อมีเวลาก็ชมแล้วใจมันพองใจมันพองขึ้นมาเราก็รู้ไปค่อยรู้ไปอย่างนี้ง่ายๆไม่มีอะไรมากแต่ถ้าเราใจลอยละมัวไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็ลืมความรู้สึกของเราเองนะเพราะงั้นศัตรูหมายเลขหนึ่งของการปฏิบัติก็คือใจลอยไปหรือคิดๆไปเปลินๆไปเผลอๆไปเห็นคนก็เดินก็ดูเขาดูเขาแล้วลืมตัวเองเผลอไป ได้ยินเขาคุยกันตั้งใจฟังฟังแล้วก็ลืมตัวเองลืมความรู้สึกของตัวเองอย่างนี้ก็หลงไปแล้วนั่งอยู่เฉยเฉยไม่มีใครคุยด้วยก็คิดไปคิดอะไรบางทีก็ไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่ทั้งเป็นชั่วโมงบางทีคิดอะไรก็รู้หมดเลยว่าคิดอะไรแต่ขณะที่รู้เรื่องที่คิดเนะี่ยก็ลืมความรู้สึกของตัวเองลืมที่จะรู้ทันจิตใจของตัวเองอย่างนี้ก็เรียกว่าหลงเหมือนกัน นี่ศัตรูใหมายเลขหนึ่งเลยครับความไม่รู้สึกตัวนี่นี้นเราจะรู้กายเราจะรู้ใจรู้ความรู้สึกของเราได้เราก็ต้องรู้สึกตัวอย่าหลงไปอย่าเผลอไปนานแต่ความเผลอห้ามไม่ได้อย่างตอนเนี้ยห้ามไม่ได้มันหนีหนีต่อหน้าต่อตายเนี้ยนะเราก็รู้ทันคอยรู้ทันไปเรื่อยๆเนี่ยหนีไปคิดสังเกตออกไหมหนีไปคิดลืมความลืมรู้ความรู้สึก เนี่ยหนีไปคิดอีกวับนึงก็ลืมอีกละแม้ว่าบังคับไม่ได้นะจิตจะหนีไปนี่ก็บังคับไม่ได้โอ้โยมทำไมเยอะนักเนาะมาเยอะๆแล้วจะพูดอะไรได้เนาะใครมาเรียนก่อนก็กาไรมาทีหลังนี่คนเยอะๆโอ้ลาบากและอีกหน่อยก็ต้องเทศเหมือนครูบาอาจารย์นะ<า>เอาทําทานถือศีลเนานะ พุทโธไปสมมาพยายามบอกพวกเราให้หัดดูสภาวะนะสภ า, าวะก็มีสองงานคือกายกับใจให้หัดดูดูลงไปที่กายความทุกข์มันเกิดได้ยังไงดูเข้าไปที่จิตที่ใจของเราความทุกข์มันเกิดได้ยังไงคอยดูคอยรู้คอยสังเกต glowing. ไปเข้าดูไปรู้จักใจลอยไหม อ, อ, อย่าใจลอยนานาใจลอยนิดๆลอยๆพอเอาขึ้นมาอย่าถลําเข้าไปในข้างในก็ไม่เอาไม่หลงเข้าไปรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวแล้วมันจะเป็นกลางๆไม่ไหลเข้าข้างในไม่ไปข้างนอกอย่าตั้งใจนะห้ามตั้งใจตั้งใจก็คือตันหานั่นแหละอยากปฏิบัติแล้วเก็งขึ้นมาเกรงไม่ได้ปล่อยมัน วิธีปฏิบัติที่ง่ายที่สุดเลยก็คือพอตาเรามองเห็นเนี่ยใจเรารู้สึกยังไงเราก็รู้ทันนะยกตัว อ, อย่างเราเห็นเนี่ยหนุ่มๆอย่างนี้เห็นสาวเดินมาใจมันชอบใจชอบรู้ว่าชอบไม่ใช่รู้ว่าสาวเดินมานะสาวเดินมามันรู้อยู่แล้วน่ะหรือจะนุชเนี่ยเห็นหน้าพี่ต้อมแล้วเบือ่อเบื่อหน้าพี่ต้อมเห็นเบือ่อรู้ว่าเบือ่อ ปฏิบัติง่ายๆอย่างเนี้งั้นเวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรากระทบอารมณ์ให้เราคอยรู้ใจของเราไหมจิตใจของเรามันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเปลี่ยนไปาตามการกระทบแต่ส่วนมากพวกเรานักปฏิบัติเนี่ยแทนที่จะตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปตามการกระทบอารมณ์นะเรามักจะหนีอารมณ์มั้งไม่อยากดูอะไรปิดตาไว้ก่อนปิดหูไว้ก่อนนั่งซึมๆไว้ก่อน หนีอารมณนะ์ลนะหรือบังคับใจให้นิ่งๆไม่ยอมให้มันเกิดความรู้สึกอย่างนี้ก็ไม่ดีเงั้นให้มันกระทบไปตามธรรมชาติตามรู้ความเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมดาปล่อยให้มันเกิดความรู้สึกนี้ไม่ห้ามมันไม่บังคับมันต้องใจถึงนะมึงคนกลัวคนบอกว่าถ้าไม่คอยบังคับไว้เดี๋ยวกิเลสเกิดอตรงที่นั่งบังคับนั่นแหละกิเลสเกิดอะ ทั้งอวิชชาทั้งปัญหาเกิดอ่อดีแล้วที่ผ่านมาไม่ใช่ไม่ทุกแต่ที่ผ่านมาเนะ่ไม่รับรู้มันหนีโลกไปทำตัวให้เบลเๆลทำใจลอยๆอยเคลิ้มเคิมไปงั้นใช้ไม่ได้นะเห็นมันทุกข์นั้นนะดีแล้วรู้สึกไป เดี๋ยวค่อยเบาลงทีหลังลถ้าไม่เพ่งใส่มันนะอ่าเนี่ยหลวงอาถึงสอนไงว่าก่อนจะเริ่มลงมือมาตามรู้เนี่ยต้องหัดเรื่องจิตสิลป์ขาซะก่อนเรียนเรื่องจิตจิตของเราไหลไปเรารู้ทันจิตเราไหลไปเพ่งเรารู้ว่าไหลไปเนี่ยต่อมาพอเวลาเราลงมือปฏิบัติพอเราจะเคลื่อนไปเพ่งปุ๊บเราเห็นละเราก็ไม่เคลื่อนไปเพ่ง ถ้าสักว่ารู้สักว่าดูอยู่นี่เรายังดูแต่ว่าเราเราปล่อยวางไม่เป็นก็ยังทุกข์อยู่แต่ทุกข์ไปก่อนอย่างนี้ดีกว่าแต่ก่อนนะแต่ก่อนไม่ค่อยทุกข์มากเพราะมันหนีโลกนะมีความสุขแบบพวกคนติดยาเสพติดอะ่ะเอเ อ, เอนะลอยๆเบลอๆไปทั้งวันใช้ไม่ได้หรอกแตคนอื่นก็อย่าฟังแล้วเอาอย่างนะ คนอื่นไม่จำเป็นต้องไปให้มันแน่นขึ้นมาก่อนอันนี้คนมีบาปมากจะต้องทำลำบาก อ, อากูสนมีบาปไงส่งผลทำให้เราปฏิบัติต้องเหน็ดเหนื่อยมากอ <c oughs> <c oughs> อ่านั่นแหละทําไมถึงรู้ว่ายินได้รู้ไหมเพราะเคยฝึกจิตตะศิกขามาแนละ้วรู้ทันจิตมีความสุขมีความเบิกบานจิตไหลเข้าไปในความเบิกบานถูกต้องถูกต้องที่รู้ทันนั่นแะดีนะไม่ห้ามมันนะอย่าไปดึงนะไม่ห้ามไหลเป็นไหลอ่า <c oughs> ไม่ต้องไปต้องการอะไรอนะ่ะไม่ต้องการให้จิตเรียนรู้อะไรอนะ่ะ ตามรู้เป็นไปตามธรรมดาไม่ต้องไปคาดหวังอะไรเนี่ยถึงสอนไงบอกว่าก่อนจะไปเจริญวิปัสสนาเนี่ยนะจิตต้องตั้งมั่นเป็นก่อนถ้าจิตตั้งมั่นไม่เป็นเนี่ยเวลาไปรู้รูป ร, รู้นามเนี่ยจิตไหลหมดเลยตอนนี้ไม่ตั้งมั่นจิตกาลังเกิดความสงสัยไม่เห็นว่ากาลังสงสัยเห็นไหมโมหะครอบงม ตอนนี้ไม่ใช่สิตอนนี้กำลังสงสัยเห็นความสงสัยไ้มล่ะแล้วยังมาถามว่าจิตตั้งมั่นหรือเปล่าจิตกำลังหลงอ่ะอย่าไปรู้ที่ถูกนะอย่าจำตรงที่ถูกนะเดี๋ยวไปทำขึ้นมา มันทําได้นะมันจําได้ว่าจิตที่รู้สึกตัวเนี่ยมันเบาๆว่างๆสว่างๆนะมันแกล้งทาเหมือนเปียกเลยนะเดี๋ยวหงายท้องเลยสุกมันหลอกงั้นรู้ทันตรงที่มันสายออกไปมันไหลไปมันจะไปเพ่งและรู้ว่ามันเพ่งมันหนีไปคิดรู้ว่ามันหนีไปคิดนี่รู้ทันจิตไว้เรื่อยๆนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาชั่วขณะแล้วก็พอไหลใหม่จะเห็นทุกข์ชัดเลยใจไหลแวบเห็นทุกข์เห็นทุกข์นะเห็นดีแล้วนะ ปฏิบัติแล้วบอกไม่เห็นทุกข์นั่นแหละลำบากเพราะอะไรพระพุทธเจ้าสอนเรื่องแรกเลยเรื่องทุกข์ท่านบอกทุกข์ให้รู้ทุกข์เป็นสิ่งที่ควรรู้เพราะงั้นเราไปรู้ทุกข์ก็ถูกต้องแล้วนี่เห็นไหมปฏิบัติแล้วรู้แต่สุขค่าสุขข้ามีพวกหนึ่งนะปฏิบัติทุกวันนลยเจอหน้าทีไรท่านบอกมีความสุขข่าเพลินมีความสุขโอ้ใช้ไม่ได้นะเห็นทุกข์ยังดีกว่า ความสุขนั่นแหละตัวทุกข์กอ่าเนี่ยมันหลงอีกแล้วเห็นไหมมันชัดจะเพลินในการคุยแล้วอาวอ้อารูปที่มันหสากรมันเห็นแล้วก็เป็นขอาวรังม่ม่าไเห็นอะไรก็มารู้ที่ใจเราตาเห็นรูปมารู้ที่ใจหูได้ยินเสียงรู้ที่ใจ แพ้นตาเห็นอะไรแวบๆใจมันสงสัยไว้อะไรนะหรู้ว่าสงสัยไอ้ตาของเราเพี้ยนไปหรือยังซักกังวลใจรู้ว่ากังวลใจแล้วไปหาหมอตาซะนะคนละเรื่องนะอย่าโ ง, ง่นะประเภทสักไปรู้สักไปเห็นเดี๋ยวตาบอดไปนะเพราะงั้นอะไรเกิดขึ้นนะให้มารู้อยู่ที่ใจรู้ทันใจของเราเดี๋ยวถามหน่สองคนเนี้ยมาด้วยกันหรือเปล่านี่ซุปเปอร์แมนหญิองอันนี้ อาสมมติว่าเราเดินออกไปนอกศาลาเนี่ยได้กลิ่นดอกไม้หอมเรารู้ว่าดอกไม้หอมเราปฏิบัติถูกหรือยังเออใครตอบได้มั่งออกไปเห็นดอกไม้หอมได้กลิ่นดอกไม้หอมรู้ว่าดอกไม้หอมเนี่ยปฏิบัติถูกหรือยังฮะด็อกเตอร์เนี่ยออกไปนอกศาลานะได้กลิ่นดอกไม้หอมหอมรู้ว่าดอกไม้หอมเนี่ยปฏิบัติถูกหรือยัง รู้ว่าดอกไม้หอมเนี่ยไม่ใช่ยังไม่พอนะสมมติได้กลิ่นดอกไม้หอมใจเราชอบขึ้นมาเนี่ยรู้ที่ใจแต่เราชอบไม่ต้องไปรู้เรื่องกลิ่นหรอกนะเรียนแค่ามาให้ที่ใจเรานะไม่ว่ากระทบอารมณ์อะไรเนี่ยมารู้ความรู้สึกที่ใจใจมันจะเปลี่ยนแปลงนะอย่างนี้จะฝึกได้ทั้งวันเลยเช่นเห็นคุณเฟรแล้วเป็นห่วงเขาเนี่ยห่วงรู้ว่าห่วงรู้ที่ใจเราไม่ใช่รู้ว่าคุณเฟรเดินมา เนี่ยใจลอยใจลอยรู้ว่าใจลอยน ะ, นะะคิดตามเป็นเกรติไหมคิดตามเนี่ยรู้เรื่องที่คิดแต่ลืมตัวเองนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเราจะเกิดความรู้แบบโลกโลกนะเวลาเราใช้ชีวิตในทางโลกเราคิดเรารู้เรื่องที่เราคิดนี่ถูกต้องแล้วแต่เวลาลงมือปฏิบัติทำเนี่ยไม่ต้องไปรู้เรื่องที่คิดหรอกนะจิตหนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิดจิตลงแล้วแลนะจิตส่งออกไปตามความคิด พอรู้ทันไปแบบนี้ง่ายๆรู้จักใจลอยไหมเอออย่าใจลอยนานน้าใจลอยบ่อยๆไม่เป็นไรแต่อย่านานอา้าวตื่นนะอย่าใจลอยไปฝันทำไมสงสัยอะไรมากนะรู้สึกอ่ะนะเออเห็นจะต้องยากเย็ยนเลยเรียนธรร ม, มนะนันไม่ต้องอ้าปากถามและทธิคำก็ได้นะ สงสัยการปฏิบัติจะทํำยังไงนะรู้ว่ากําลังสงสัยอยู่ใช่ไหมคอยรู้ความรู้สึกไปก็จะเห็นเลยความสงสัยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปบางคนมาถามแล้วจะได้ความรู้ยังไงน่ะก็ได้ความรู้ว่าความสงสัยมันเกิดแล้วมันดับอารมณ์ใดๆเกิดแล้วก็ดับทั้งสิน้นความรู้ทางศาสนาพุทธต้องการแค่นี้เองส่วนความรู้ทางโลกโลกก็ไปหาคําตอบเอาเวลาสงสัยเวลา อาจารย์สอนแล้วสงสัยอย่าไปดูว่ากำลังสงสัยนะรีบคิดเลยนะมันสงสัยยังไงรีบถามแต่เวลาลงมือปฏิบัติเนี่ยสงสัยรู้ว่าสงสัยเลยนะอย่าถามเข้ารู้เข้าไปเนี่ยหนีไปคิดแลรู้ไหมดูออกเปล่าเดี๋ยจะว่าหลวงพ่อดุอ้าวเสือแล้วด็อกเอร์เชชชอินท เสร็จแล้วนะส่งใจมาถึงนี่แนะนะน่เหน่ยใจหนีไปเที่ยวฮาวายนั่นะนิดนั่นะนิดมีอะไรไหมเห็นขออภัรว่าจะมาส่งกันบ้านเนะเนี่ยถ้าคอยรู้สึกนะคือการขั้นแรกเลยรู้สึกตัวให้ได้ รู้สึกตัวก็คือรู้ทันใจที่มันไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละที่หลวงพู่ ด, ดูลว่าอย่าออกนอกไม่ส่งไปรู้สึกตัวขึ้นมาก่อนพอรู้สึกตัวได้เนี่ยใจเราก็ไม่หนีไปอยู่ในโลกของความคิดนยเราก็สามารถรู้กายได้สามารถรู้ใจได้อย่างพอเราไปคิดเนี่ยเราลืมกายลืมใจเราเห็นคนเดินมาเราไปดูเพราเราลืมกายลืมใจนั้นเราคอยรู้สึกตัวเรื่อยๆใจไหลไปรีบร้่ยไว เนี่ยเราเพจะเห็นรูปประธรร ม, รร ม, มเห็นนามปธรรมจะเห็นว่ารูปประธรรมนามปธรรม<ๆ>ไม่ใช่ตัวเราเพราะว่าความเป็นตัวเราเกิดจากความคิดล้วนๆเลยเมื่อไหร่หลุดออกจากโลกของความคิดรูปประธรรมนามประธรรมาไม่ใช่เราโดยเฉพาะรูปนี้ดูง่ายทันทีที่รู้สึกตัวก็จะเห็นว่ารูปไม่ใช่เราแล้วรูปก็เป็นรูปอย่างนั้นแหละเป็นก้อนธาตุเป็นอะไรที่ตั้งอยู่อย่างนี้เองอย่างรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนนี่ก็พูดเราเองนะ รูปไม่มียืนเดินนั่งนอนอะไรรูปก็เป็นรูปอยู่อย่างนั้นเลยนี่ทาง จ, จิตใจเราค่อยดูไปความรู้สึกทั้งหลายที่เกิดขึ้นเป็นนามธรรมที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปจิตไปเกิดทางตาจิตไปเกิดทางหูจิตมาเกิดทางใจเกิดแล้วก็ดับไปจะตามรู้ทันทีที่รู้กายก็จะเห็นว่ากายไม่ใช่ตัวเราแต่จิตยังเป็นเราอยู่เพราะฉะนั้น จะลศักยายทิฐิเนี่ยจะเห็นว่าจิตไม่ใช่เรานี่ยากที่สุดในบรรดาขันห้าเพราะเราต้องคอยรู้สึกตัวอย่าหลงไปในความคิดทันทีที่รู้สึกตัวเนี่ยจิตที่รู้สึกตัวเกิดขึ้นหนึ่งขณะนะถ้าตามตำราก็เจ็ดขณะสั้นนิดเดียวจําไม่ได้หรอกอย่าพยายามจําว่าจิตที่ถูกเป็นยังไงก็จําไม่ได้หรอกเนะี่ยมันเกิดสั้นนิดเดียวอย่างเผลอๆ อ, อยู่รู้ว่าเผลอก็เกิดความรู้สึกตัวขึ้นแว บ, บหนึ่ง จำไม่ได้ว่าจิตที่รู้สึกตัวเป็นยังไงเดียวเสือใหม่เสือใหม่ได้รู้รู้ทันอีกว่าเปลอได้อีกแป๊บหนึง่งแล้วพอรู้สึกตัวได้บ่อยๆบ่อยๆขึ้นในสุดจิตเกิดสติเกิดปัญญาอย่างรู้ลงไปในสภาวะของจิตที่รู้สึกตัวนั้นจะพบว่าตัวจิตที่รู้สึกตัวนั้นไม่มีความเป็นเราอยู่สักนิดเดียวเลยความเป็นเราเกิดตอนหลงลงไปคิดนะ่ะถึงเกิดความเป็นเราขึ้นมา เพนั้นรู้สึกตัวเนืองๆหลุดออกจากโลกของความคิดเนืองๆเห็นสติปัญญามันแทงทะลุเข้าไปมองเห็นว่าจิตที่รู้สึกตัวไม่มีความเป็นเราสักนิดเดียวนี่บางคนมาถามว่าจะทำไงให้ความรู้สึกตัวต่อเนื่องคาว่าต่อเนื่องไม่มีมีแต่เกิดแล้วดับทีละขณะทีละขณะแต่ทำให้รู้สึกตัวบ่อยๆก็แล้วกันแพอเรารู้สึกตัวได้ทียิบเลยมันจะคล้ายๆคล้ายๆเท่านั้นนะ คล้ายๆว่าความรู้สึกตัวมันต่อเนื่องความรู้สึกตัวแผ่กว้างออกเรื่อยๆความหลงก็หดแคบลงเรื่อยๆความจริงจิตที่รู้สึกตัวเกิดแล้วก็ดับเกิด <c oughs> แล้วก็ดับเหมือนกันแต่เกิดดับทียิบขึ้นมาต่อๆกันทียิบขึ้นมาเดี๋ยวจะรู้สึกตัวเหมือนกับความรู้สึกเนี่ยมันแผ่กว้างความรู้สึกตัวกว้างขึ้นกว้างขึ้นเบียดเอาความไม่รู้สึกตัวค่อ hey, ยเล็กลงเล็กลง นีสติปัญญาได้เรียนรู้ซ้ำแล้วซ้าอีกถึงจิตที่รู้สึกตัวในที่สุดก็จะเห็นว่าจิตที่รู้สึกตัวไม่มีความเป็นเราอยู่เลยเขาเห็นเา้าเองน้าไม่ต้องไปช่วยเขาอย่าช่วยเอาแค่ว่าอย่าเผลอนานก็แล้วกันตอนนี้เผลอคิดแล้วทราบไหมไอ้เผลอคิดแล้วทราบไหมไม่เลิกทราบไหมไม่เลิ ก, ลกคิดน่ะ คือมันจะรู้ได้แว บ, บเดียวนะแล้วก็จิตจะไหลออกไปอีกจะทํางานอีกแล้วก็รู้ทานก็เกิดรู้สึกอีกแว บ, บหนึ่งนะรู้บ่อยๆส่วนไใ้จิตที่พอบางทีพอรู้อารมณ์ชัดแล้วก็เบลอแล้วก็ชัดแล้วก็เบลอจีดมันลงผวงังเรียนเรื่องวิถีแล้วนี่นะสะทารามันนเกิด จิตก็เบลอลงไปแล้วก็ลงผวังแล้วก็ขึ้นมาใหม่ขึ้นวิถีอันใหม่เพราะฉะั้นจิตก็เป็นอย่างนั้นอย่างเรามองหน้าคนาข้างๆก็มันรู้ตามหลังนั่นแหละนะนก็รู้ตามหลังว่าจิตตมกี้มันเบลอไปนิดหนึ่งไม่เบลอ มันรู้อยู่ตรงชาวานะจิตไม่ได้รู้อยู่ที่ตาลามนะันะหนีไปแล้วนะเห็นไหมเราไปดูคนอื่นเราลืมตัวเราเองดู อ, อกไหมอันนี้เรียกว่าหลงทางตานะเราฟังฟังไปรู้เรื่องหมดเลยหลงอยู่ทางหูตั้งใจฟังลองฟังนกสนิที่นี่มีนกเยอะนะตอนไข้บัดนกระบาดเนี่ยญาติโยมหนีไปหมดเลยนะเราฟังได้มีเสียง น, นกกี่ชนิดลองตั้งใจฟัง สังเกตไหมตอนที่เราตั้งใจฟังเนี่ยเราลืมตัวเราเองนะเนี่ยหลงทางหูนะหลวงพ่อไม่ได้สอนให้ไปฟังเสียงนกนะเราไม่ได้นักดูนกแต่ว่าให้หัดดูว่าเนี่ยหลงทางหูเป็นอย่างนี้ตั้งใจฟังแล้วลืมตัวเองอย่างขนาดที่นั่งฟังหลวงพ่อพูดอยู่นี่สังเกตไหมเดี๋ยวตาดูเดี๋ยวหูฟังเดี๋ยวใจคิดสลับไปสลับมาฟังมากหรือคิดมากโอ้ยพูดไม่เป็นความจริงแล้ว สังเกตให้ดีสิเนี่ยนั่งคิดอยู่ทั้งนั้นเลยดูออกไหมอย่างเวลาฟังหลวงพ่อพูดนะอ่ะตาดูหลวงพ่อดูแวบเดียวหน้าหลวงพ่อก็เบลอๆไปแล้วรู้สึกไหมเสียงหลวงพ่อชัดขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นทางประสาทหูแล้วขึ้นทางทว่อทวานหูแล้ววิถีทั้งนี้ฟังเสียงหลวงพ่อนิดเดียวอ่ะแล้วก็คิดเดียวยาวฟังนิดหนึ่งแล้วคิดเดี๋ยวยาวฟังนิดนึงแล้วก็คิดเดียยาว แล้จิตเราเนี่ยไปทำงานทางใจเยอะเยอะที่สุดไปทำงานทางตาหนึ่งขณะทางหูหนึ่งขณะมาทำทางใจเยอะเลยเนี่ยเนี่ยทำทางใจพอจิตไปทางใจเราไม่รู้ทันเขาเรียกว่าหลงนะหลงคิดที่รู้นี่ผมจะรู้เฉพาะมันเป็นเป็นรีอาคุสตร์กับกุศลและที่ไม่หายไปนีไม่รู้นีลโมหะอุ อกูสสน์เนี่ยมีหลายเกรดนะอย่างโทสะโทสะเนี่ยก็มีหลายระดับอย่างโทสะห ย, ยาบๆเนี่ยอยากชกหน้าเพื่อนนะโดดไปชกนี่หยาบที่สุดละ่ะหรือไปฆ่าเขาหยาบหรือเวลาปฏิบัติอ่าแรงๆก็รู้ชัดหรือเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเราเห็นกิเลสเกิดขึ้นเราไม่ชอบกิเลสนั้นนั่นอะโทสะใช่เราชักไม่รู้ว่าเป็นโทสะแล้วเรารู้สึกว่าดีเป็นกูสสนะ แมเกลียดกิเลสเนี่ยเป็นกุศลที่เอาเองิใจใจมีโทสะต่อกิเลสแหละหรืออย่างราคะนะราคะแรงๆอยากไปข่มขืนเขาเนี่ยแหมชั่วร้ายมองเห็นแต่นั่งฟังธรรมะแล้วใจมันเพลิดเพลินยินดีมองไม่ออกแล้วว่าเป็นราคะโมหะเนี่ยถ้าใจออ้ยฟุง้งหมุนติ้วติ้วติ้วติ้ ว, ว, วเลยรู้ได้แต่จิตที่รู้สึกตัวแต่รู้ไม่เท่าทันตัวจิตที่รู้สึกตัว เราดูไม่ออกแล้วเว่าเป็นโมหะในกิเลสมีหลายระดับเบื้องต้นเราก็รู้ไ ด, ด้กิเลสหยาบก่อนแล้วสติปัญญาค่อยแก่กล้ารู้สภาวะชัดเจนขึ้นชัดเจ น, ข, นขึ้นจะรู้สภาวะที่ละเอียดพอละเอียดมากๆจะเห็นแค่บางสิ่งบางอย่างไหวยิบยับยิ บ, ย, บยับในจิตเรานิดเดียวเอยงยังไม่ปรุงเป็นของหยาบหยาบขึ้นมาเราเห็นตรงนี้ขาด เราไม่รู้ด้วยซ้าไปว่าอะไรจะเกิดขึ้นรู้แต่ว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นมาแล้วดับไปเห็นแต่มันไหวบ้าดับบนะ้าดับไม่ใช่มีสิ่งบางสิ่งโทสะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับเร็วว น, นั้นนี่จนไหวบดับบนะ้าดับเห็นแต่ดับนะนั่นเรียกพังขยานนะดับนีสติปัญญาเราไปเร็วขึ้นเร็วขึ้นแล้พระพุทธเจ้าถึงสอนว่าโทสะ มีโทษมากแต่ละง่ายแล้วราคะมีโทษน้อยละยากโมหะมีโทษมากละยากละยากละง่ายอยู่ที่ว่ารู้ได้ยากหรือรู้ได้ง่ายโทสนะน่ะรู้ได้ง่ายรู้ทันง่ายเห็นโทษง่ายก็ละง่ายเราไม่ชอบไม่ชอบโทสะเราอยากได้รับความชื่นใจอย่างเวลาเรามีความสุขสบายใจเราจะเริ่มขี้เกียจไม่ยอมดูจิตแล้ว แต่เวลามีความทุกข์กลุ้มใจอย่างจะหนุษใช่ไหมผีหลอกกลุ้มใจขยันดูจิตรู้สึกไหมขยันดูไม่รู้จะทํำยังไงลนะนีเรียกว่าภาวานาการตาย <c oughs> คล้ายๆทําบุญเอาหน้าภาวานาการตายจวนตัวแล้วไม่รู้จะทําอะไรก็นั่งดูแต่พอสบายๆจะไม่ดูเนี่ยเป็นธรรมชาติอย่างนั้นไม่ใช่ว่าคนในคนหนึ่งนะทุกคนเพราะฉะในภาวะที่บีบคั้นภาวะที่ยากลําลบากเนี่ย ขยันปฏิบัติแต่ต้องปฏิบัติเป็นก่อนนะต้องฝึกไว้ก่อนไม่ใช่ไปเจอปัญหาชีวิตที่รุนแรงแล้วอยากปฏิบัติพวกนี้เรียนไม่ไหวแะไม่ทันคล้ายๆตกน้ําไปแล้วมาถามว่าใครมีวิชาว่ายน้ําาำช่วยสอนหน่อยนะตายแน่นอนเพราะงั้นต้องหัดไว้ก่อนแรกๆเราจะเห็นอารมณ์ที่หยาบพอสติปัญญากล้าขึ้นก็จะเห็นละเอียด หน้าที่ของเราคือคอยสังเกตสภาวะจะมาถึงบอกให้คอยรู้สึกไปคอยตามรู้ความรู้สึกแไปที่มันเปลี่ยนแปลงอะ่ะทีแรกเราก็รู้สึกได้แต่อารมณ์หยาบเราตามรู้ตามดูเรื่อยๆ่อไปละเอียดขึ้นเราก็เห็นยิ่งเราเห็ น, หนอะไรนะ เ, รเห็นเองแหงละสติต้องเกิดเองนะสติทําให้เกิดไม่ได้ไม่มีอะไรที่เราทําให้เกิดหรอกนสติมันเกิดเองมันเกิดจากการที่เราจําสภาวะทำได้แม่น เช่นเราเคยห like so so um! uh ัดดูเวลาโกรธเอาโกรธเป็นอย่างนี้นะเรารู้จักละหรือมานั่งที่ศาลาเนี่ยจะถูกหลวงพ่อไล่จี้เวลาเผลอพอเผลอเนี่ยอ๋อเผลอเป็นอย่างนี้จําได้พอจําได้เนี่ยพอตลับไปพอใจมันไหลไปเผลอเนี่นะสติมันจะเกิดอุ้ยเผลอไปแล้วมจะรู้สึกขึ้นมาเองการปฏิบัติเนี่ยถ้าเผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้ไปเรื่อยๆแค่นี้ยังพอเลยไม่ต้องคิดมาก ตอนเผลอไปจิตก็เป็นอกุศลตอนรู้สึกตัวขึ้นมาก็เป็นกุศลอกุศลเกิดแล้วก็ดับกุศลเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันนไม่ใช่ว่ากุศลเที่ยงเพราะง้นแค่รู้ว่าเผลอเผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้ไปเรื่อยๆแค่นี้ยังได้เผลอมันเป็นอะไ ร, ร, ะ ไ, รไม่ได้หรอกเพราะมันห้ามไม่ได้นะเราไม่ได้เจตนาเผลอนึกออกไหมนะเพราะว่าจิตมันตกลงใจว่าต่อไปนี้ อกุศลจะเกิดล่ะคือเพลจะเกิดมันก็เกิดเรียนอภิธรรมไห ม, ไมอ๋อไมไ่คือมันมีจิตยอยู่ดวงหนึ่งเป็นตัวตัดสินว่ า, ากุศลหรืออกุศลจะเกิดนะเราไม่ได้เลือกอ่ะเราเลือกไม่ได้หรือเราจะห้ามไม่ให้อกุศลเกิดก็ห้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นอะไรเกิดขึ้นในใจนะอย่าไปวิพากษวิจาร์นี่ยไปปฏิเสธมันตามรู้ไปเรื่อยๆ ถ้าเราตามรู้มากๆเราจำสภาวะได้เยอะสติเราก็จะเกิดถีขถ่ขึ้นถี่ขึ้นรู้จักใจลอยอยังเออรู้ไหมว่าใจลอยเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยหัดอย่างนี้ต้องหัดรู้ว่าเมื่อกี้ใจลอยไม่ใช่รู้ว่าขณะนี้ใจลอยนะขณะนี้ใจลอยรู้ไม่ได้เพราะเราจะรู้ได้ต้องมีสติกำลังใจลอยอยู่ไม่มีสติจิตกำลังเป็นอกุศล มีสติไม่ได้ถ้าเราประสบสมัยก่อนนเราคิดตามแค่าเม่เรียนธรรมะแล้วก็มองาเ่นยขึ้นมาเยอไม่เอาอย่างนั้นนะเราต้องแยกกันระหว่างปัญหาของชีวิตนะกับความทุกข์นะศาสนาพุทธสอนให้เราจัดการกับความทุกขนะ์แต่ว่าปัญหายังอยู่ สมมติว่าเราทําธุรกิจไม่ได้ผลดีนี่เป็นปัญหาแต่คนทั่วไปพอธุรกิจมีปัญหาเนี่นะก็กลุ้งใจกินไม่ได้นอนไม่หลับนี่ทุกข์นักปฏิบัติก็คือจิตใจมันมีความทุกข์เนี่ยมารู้ทันมันท่านบอกให้รู้ทุกข์เนี่ยเศ้ารู้อยู่ที่ทุกข์นี่มันทุกข์เนี่ยถ้าดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเห็นเนี่ยมันทุกข์เพราะมันไม่อยากให้มีปัญหานี่พอใจมันเป็นกลางต่อความทุกข์เนความทุกข์จะดับไปใจ ต, ต้องเป็นกลางนะ แต่ไปอยากให้ความทุกข์ดับควาทุกข์จะไม่ดับเลยเพราะกําลังมีกิเลสนี่พอใจเป็นกลางอ่ะกินข้าวให้อิ่มๆนอนให้หลับสักตื่นหนึ่งแล้วไปคิดแก้ปัญหาเอาไม่ใช่ไม่แก้ปัญหานะชาวพุทธวางแผนไม่ใช่ไม่วางแผนอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยวางแผนหมดเลยแล้วเป็นนักวางแผนชั้นเลิศเลยอย่างทุกเช้าจะเริ่มวางแผนแล้ววันนี้จะสอนใครนี่คืออะไรกําหนดกลุ่มเป้าหมายจะสอนใครนะจะสอนอย่างไร จะจัดฉากไหมเช่นเขาจะต้องไปอยู่ตรงนี้เราจะต้องทําเป็นเดินสวนกับเขาตรงนี้นี่กําหนดวิธีการด้วยกําหนดเนื้อหาธรรมะที่จะสอ น, นกําหนดเรื่องที่จะสอนด้วยแล้วก็กําหนดด้วยว่าถ้าสอนเสร็จแล้วเนี่ยมันควรจะเกิดผลอะไรคนรจะต้องได้โสดาประเมินผลได้ด้วยเพราะฉะนั้นไม่ใช่ฉาวพุทธไม่วางแผนนะฉาวพุทธจะแก้ปัญหาไม่ใช่ไม่แก้ปัญหาอย่างพระทะเลาะ ก, กัน นะพระพุทธเจ้าไม่ใช่ศักแต่ว่ารู้ว่าพระทะเลาะกันท่านต้องมาจัดการว่าจะจัดการยังไงนะนิครตั้งประเด็นตั้งกระทู้ธรรมะโจมตีศา ส, สนาพูธอย่างนี้พระเจ้าต้องมาดูว่าจะแก้ยังไงจะตอบโต้อย่างไ ร, อ, อ, ยงไร อ, อย่าไปทิ้งปัญหานะแยกกันเราเราจัดการไม่ให้ใจเราทุกข์แล้วเอาสติปัญญาเอาจิตใจที่เข้มแข็งแล้วจิตใจที่ไม่ทุกข์แล้วเนี่ยไปคิดแก้ปัญหา สาเหตุของปัญหาอยู่ตรงไหนแก้ตรงนั้นแก้ที่สาเหตุหลักก่อนถ้าทำได้สาเหตุรองแก้แล้วก็ผลน้อยเอาไว้ที่หลังแต่ถ้าไม่มีพลังพอที่จะแก้สาเหตุหลักก็ไปแก้สาเหตุรองก่อน ต, อต้องคิดทั้งนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นอย่าอย่าวางเฉยนะเช่นลูกติดยาอุเบกขาไม่ถูกนะนี่ถูกฉาบพุดไม่ได้เป็นอย่างนั้นลูกติดยา กลุ้มใจอย่างนะเลยเฝ้ารู้ใจตัวเองอความกลุ้มเป็นสิ่งแต่ปลอมเข้ามาเอาใจเป็นกลางดูทําไมมันติดยาอ๋อเรามัวแต่เข้าวัดไม่เคยดูแลลูกเลยนะคราวนี้ไม่ใช่ลูกชั่วแล้วนะคราวนี้พ่อทิ้งหน้าที่นะเริ่ม เ, เกิดปัญญาล้วแก้ปัญหาตรงจุดนะพ่อให้เวลากับลูกหน่อยไม่งนะั้นบางทีแก้ปัญหาผิดจุดรู้สึกไหมว่าผู้ใหญ่ทอดทิ้งเราเคยรู้สึกไหม เคยรู้สึกไหมว่าผู้ใหญ่ชอบบังคับเราเห็นไหเออลองถามผู้ใหญ่สิว่าสมัยเขาเป็นเด็กเท่าเราเขาก็รู้สึกอย่างเนี้ยห็นไส่วนผู้ใหญ่ลองถามผู้ใหญ่สิว่ารู้สึกไหมว่าเด็กรุ่นหลังเนะี่ยไม่ค่อยสนใจศาสนาไม่ค่อยมีวัฒนธรรมไม่เคารพผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะรู้สึกอย่างเนี้ยเพเโตก็เคยเขียนไว้ว่าเด็กรุ่นเนี้ยไม่ค่อยดีไม่เคารพพระเจ้า ไม่นับถือศาสนาไม่มีวัฒนธรรมเตะต้ตมเคยพูดเมื่อสามพันกว่าปี ก, ก่อนผู้ใหญ่เดี๋ยวนี้ก็พูดเหมือนกันส่วนเด็กเดี๋ยวนี้ก็บนเหมือนเด็กเมื่อก่อนนั่นแหละเห็นหั้ยว่าโบราณโบราณบ่นอะไรเฉยเยเห็นหมน่ยเราพยายามรู้นะพยายามเรียนรู้เสร็จ แ, แล้วเราจะทุกข์น้อยส่วนมากเวลาเรามีปัญหาเราจะเอาตัวเองเป็นตัวตั้งคนเดียว นะมองปัญหาว่าทำไมเขาทำกับเราอย่างนี้ทำไมผู้ใหญ่มันสั่งเราอย่างนี้เรามอง จ, จัดจุดยืนของเราคนเดียวถ้าลองกลับข้างกลับข้างบางทีก็เกิดความเข้าใจเห็นอกเห็นใจหลวงพ่อเคยไปอบรมท้าราชการให้ลิสต์มาเลยว่าเรามีความรู้สึกไงกับเจ้านายของเราอยากให้เจ้านายของเราเป็นยังไงให้เขียนออกมา แเจ้านายจะต้องทํางานตรงเวลานะอย่ามาจู้จี้นะอย่ามาปิดกั้นความคิดของเรานะเหมืเขียนยาวเลยเขียนเสร็จแล้วหลวงพ่อก็บอกว่าเนี่ยลูกน้องของคุณเขาก็รู้สึกอย่างเนี้ยหลายคนเลยที่ว่าเรียกร้องกับเจ้านายยังไงนะตัวเองก็ทําร้ายกับลูกน้องเหมือนกันเปียกเลยของเราก็เรียกร้องกับผู้ใหญ่ไว้อย่างเนี้ยนะเดี๋ยวพอเรามีลูกเราก็เรียกร้องว่าลูกมันก็อยากได้อย่างเดียวกันนะ นเรียนธรรมะแล้วใจกว้างๆนะดูทําไมคนอื่นรู้สึกอย่างนี้ทําไมคนอื่นคิดอย่างนี้นะไม่งั้นเราจะรู้สึกซับซ้อนตลอดบางทีเราก็คาดหวังว่าเขาควรจะอย่างนี้กับเราทําไมเขาไม่ทำํำโอ้วัยรุ่นปัญหาเยอะอยากให้มีคนรู้ใจไหมเรายังไม่รู้ใจตัวเองเลยแล้วจะให้ใครเขารู้ใจเห็นไหมรู้ทันใจตัวเองมไหมใจเราเสือไปอย่างเงี้ยรู้ไหม เออไม่รู้เรายังไม่รู้ทันใจตัวเองเลยไปให้คนอื่อรู้ใจเราได้ไงเนี่ยเนี่ยใจหนีแว บ, บไปดูออกไหมเนี่ยหนีอีกแว บ, บหนึ่งแล้วหนีไปคิดแล้วเห็นไนเราดูใจเรายังไม่ออกเลยถ้าอยากใครอยากมีคนรู้ใจนะก็รู้ใจตัวเองนั่นแหละดีที่สุดเลยจะได้คนรู้ใจจริงๆเนี่ยหนีไปแล้วไหลอยแวบบแวบบแวบบไปดูออกไหม เออไม่ออกไม่เป็นไรดูไปเรื่อยๆนะวันนี้ไม่ออกปีหน้าก็ออกห่งบางคนเรียนยี่สิบปีดูออกโยละโยถ้า พ, พูดถึงพวกเรียนนานต้องหันมาหาโย <c oughs> เป็นตัวแทนเป็นไงจิตเป็นไงเดี๋ยวโยแล้วก็ต้องต่อแหนนใช่ไหมแหนนก็รู้ตัวอันนีก้กำลังเริ่มเกลิงไวนะ้นะ ไม่อย่าไปบังคับมันแล้วปล่อยๆอยงั้นน่ะใส่แล้วก็ดูมไปพอบังคับแล้วมันนิ่งอ่า เ, เรารู้เฉยๆนะดูไปเรื่อยๆความโกรธเกิดขึ้นเรารู้ว่าโกรธนะพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะไม่ได้ให้ทำอะไรหรอก นั่งดูซิว่าโทรศัพทมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงดูอย่างนี้ความโกรธนี่ยมันจะโกรธได้ตลอดไหมรู้สึกไหมว่าความโกรธนี่ยเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็เบาดูออกไหมอ่ามันดันดันแต่ว่ามันไม่ให้ดันขึ้นลูกเดียวใช่ไหมเดี๋ยวก็มีลงรู้สึกไหมนั่นรู้ไปรู้ความเปลี่ยนแปลงไป เ, ยเรยองมเบื้องต้นถือสีห้าไว้ก่อนแต่ว่ามันอยากจะตบพขาล้ ถือศีลห้าไว้ก่อนเก็บมือไว้ก่อนมันอยากด่าแล้วหูปากไว้นะไม่ไอ้นี่ถือศีลถือศีลต้องหากหันไว้ก่อนนะแต่เสร็จแล้วเราก็มีสติรู้ทันความโกรธที่มันดันพรวดพรวดที่มาดูที่ไอ้ใจดวงนี้ยมันมีความสุขหรือมันมีความทุกขนะ์เดี๋ยวมันก็เห็นแล้วว่ามันทุกข์มันก็เลิกไปเอง ต, ตอนนั้นเนี่ยอย่าพูดอย่าพูด อ, อย่าพู ด, อพดตอนนั้นเงียบไว้ก่อนเพราะ พูดนะ้พูดตามกิเลสเมื่อ <Yeah. S 1> ั้นเวลาเราโกรธใครเราก็งเงียบไปก่อนมีหลักหน้าเวลาเราจะด่าใครเนี่ยเรียกมาด่าตัวต่อตัวเลยเวลาจะชมใครต้องชมต่อหน้าคนเยอะๆมีหลักการ <c oughs> หรือประโยคนี้ห้ามเอาไปด่ากันทั้งปีทั้งชาติเหมือนอย่างนี้ตลอดเลยไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยประโยคอย่างนี้ไม่ควัวเอาไปด่ากัน มันเปลี่ยนไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวมันก็เลยเตียงเอ้ยก็ฉันเปลี่ยนไม่ได้บอกทั้งชาติเลยเป็นอย่างเนี้ยนะบ อ, อพูดแล้วไม่ให้กําลังใจนะ <c oughs> แม้ด่าคนต้องมีศิลปะนะเดี๋ยวถูกฆ่าไม่ใช่เวขามีสองอุเบกขานะอุเบกขาพราะสมถะเนี้ย <c oughs> เกิดจากการที่เราเอาใจไปเคล้าอยู่ในอารมณ์อันเดียว จะกระทั่งใจเป็นกลางต่งออารมณ์อันนั้นอีกอันในอุเบกขาเพราะปัญญาตัวนี้สําคัญกว่ามีชื่อรปเ่าะนะ้นนิดเรียกตัดระมัดชัตตามันเป็นอุเบกขาเพราะปัญญาเช่นเราเห็นว่าความสุขเกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปความทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปใจเราเลยเป็นกลางต่อทั้งความสุขและความทุกข์นี่เรียกว่าอุเบกขาหรืออย่างนิพพทาเบือ่อ นิพิทาเนี่ยเห็นความสุขเกิดขึ้นก็น่าเบื่อเท่าท่ากับความทุกข์แหละไม่ใช่ว่ารับสุขเกลียดทุกข์นะอย่างนั้นไม่ใช่นิพิทาเช่นนักโทษติดคุกอยู่ในคุกแล้วบอกว่าเกิดนิพิทาอยากกลับบ้านไม่ใช่นี่ไม่ใช่นิพิทานิพิทาหมายถึงมันเป็นปัญญาเป็นปัญญาที่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไร้สาระเหมือนๆกันสังขารทั้งหลายไร้สาระเหมือนๆกัน เสร็จแล้วก็พอเห็นอย่างนี้ได้มากเข้ามากเข้าเขาจะเห็นว่าเเราบังคับมันไม่ได้หรอกมีเห็นมันก็มาหมดเห็นมันก็ไปปัญญาค่อยกล้าขึ้นไปอีกนะพอปัญญาแก่กล้าขึ้นมาก็เลยรู้ว่าทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปใจก็เป็นกลางเรียนถูกต้องที่จะให้ใจถึงความเป็นกลางนะมีอีกกลางหนึ่ง อ, อุเบกขามีหลายอันนะคําว่ากลางนี่มีอีกอันหนึ่งก็คือจิตของเราที่มันตั้งมั่นขึ้นมาก็เป็นกลาง จิตของเราปรกติชอบไหลไปข้างในชอบส่งไปข้างนอกรู้สึกไหม mm. เดี๋ยวก็เข้าข้างใน mm. เดี๋ยวก็ไปข้างนอกดูออกไหมอันนี้น พ, พอเรารู้ทันว่ามันไหลไปนี่มันจะเป็นกลางคือมันจะรู้สึกตัวขึ้นมาความรู้สึกตัวจริงๆอ่ะจะเ ป, mm. เ, จเป็นกลางนั้นเรามีจิตที่เป็นกลางเนี้ยเกิดขึ้นบ่อยๆมันจะเอื้อให้เกิดปัญญาในตำราอาภิธรรมถึงสอนบอกว่าสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญา จิตต้องตั้งมั่นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาเพอจิตเราตั้งมั่นนะพรอจิตไหลเข้าไปนิดเดียวเห็นทุกข์ทำไมต้องจิตตั้งมั่นก่อนถึงจะเห็นทุกข์ชัดพระจิตของคนทั้งโลกเนี่ยไหลอยู่ภายในแทบทั้งวันเลยหลงทางตาหลงทางหูนิดเดียวนะแล้วก็มาหลงทางใจยาวๆจิตเราหลงอยู่แทบทั้งวันเราจมอยู่ในกองทุกข์ทั้งวันเลยแล้วเราก็เลยชินกับทุกข์มองทุกข์ไม่ออก คลยๆเราไปปลูกบ้านอยู่ข้างที่ทิ้งขยะของกสทมองเงี้ยเหม็นมาตั้งแต่เกิดเลยนะจนไม่เหม็นเพราะั้นเราอยู่กับความทุกข์มานานจนไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นก่อนจะมามีปัญญาเห็นทุกข์นี่ใจตั้งมั่นหมายงใจเราถอดถอนออกจากกองทุกข์ชั่วคราวจิตสิกขาเนี่ยทำให้ใจถอดถอนจากกองทุกข์ชั่วคราวมีสองวิธีหนึ่งทำฌานจิตทิ้งอารมณ์เดิมหมดเลยเหลืออารมณ์เป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งแล้ว มีปีติมีสุขมีเบกขาอะไรแล้วแต่ลําดับเนี้ยจิตหลุดออกมาจากอารมณ์เดิมพอออกจากชานมาจิตเริ่มเคลื่อนเข้าไปหาอารมณ์เดิมอีกจะเห็นเลยว่าความทุกข์มันเกิดเกิดต่อหน้าต่อตาเลยนี่อย่างเราทําชานไม่ได้เรารู้สึกตัวพอรู้สึกตัวแล้วพอจิตไหลจิตไหลนิดเดียวก็จะเห็นทุกข์แล้เพราะฉะนั้นพอรู้สึกตัวได้จิตมาถึงเป็นกลางกลางได้แล้วพอเราส่งเข้าข้างในคิดถึงการปฏิบัติกําหนด กำหนดปุ๊บแน่นปั๊บเลยแต่เดิมแน่นๆ่นก็ไม่รู้สึกเท่าไหร่ะคราวนี้แน่นนิดเดียวก็ทุกชัดเลยเพราะฉนั้นพอจิตถอดถอนจิตเป็นกลางไม่ว่าเรามีจิตสิกขาเรียนเรียนเรื่องจิตสําเร็จและจิตเป็นกลางถอดถอนตัวออกจากกองทุกข์ชั่วคราวมีความรู้สึกตัวจิตเบาจิตอ่อนโยนนุ่มนวลจิตคล่องแคล่วว่องไวไม่อืดอึไม่ซึมซึมไม่ทื่อๆื้ พอภาวนาแล้วอื่นๆซึมซึมไม่ถูกนะนั่นจิตอากูศลไม่ใช่มาหากูสุลและจิตเนี่ยพอมีจิตที่รู้สึกตัวแล้วพอมันไหลคราวนี้มันไหลไปโดยจงใจหรือไม่จงใจก็ตามตอนทุกข์เกิดไม่นช่เห็นชัดแต่เดิมก็เกิดนะแต่ไม่เห็นเชิญเชิญทางโนนยกก่อนอ่านั้นนิดน่อนั้นนิด ยุยิกเป็นอดีตไปและปัจจุบันคือโทสะตัวนี้เป็นอธิบดีปัจจัยนะอธิปฏิปัจจัยกําลังวงการพฤติกรรมของเราแล้วจะให้เลิกดูรู้ตัวนี้เลยรู้เบื่ออัตมาสมัยภาวนาใหม่ๆหลวงปู่ดูลสอนให้ดูจิตดูทุกวันดูไม่เคยเลิกเลยยกเว้นเวลาทํางานกับเวลานอนหลับนอกนั้นนั่งดูเดินก็ดูทําอะไรก็ดูเรื่อยๆไม่เลิก วันไหนเบื่อเบื่อรู้ว่าเบื่อไม่ใช่เบื่อเราเลิกวันไหนขี้เกียจขี้เกียจรู้ว่าขี้เกียจไม่ใช่ขี้เกียจเราเลิกเพราะฉะนั้นจะไม่มีช่องโหว่ให้มันเล่นเราเลย ไ, ไล่ดูไปเจ็ดวันเจ็ดเดือนไหไก็ดูไปอ้าเชิญมันเกิดเสภาพทุกครั้งที่มันภาคมันจิตนี่แหละอ่ามันภาคไม่ห้ามมันไม่ได้นะเป็นความฟุ้งซ่านของจิต นะการภาคทั้งหลายแหล่เป็นความฟุ้งซ่านของจิตแต่เราห้ามไม่ได้นะพอมันภาคภาคนานๆแล้วรำคาญรำคาญรู้ว่ารำคาญนี้โทสะเกิดอีกแล้นะที่แรกโมหะเกิดมันฟุง้งฟุ้งไปฟุ้งไปดูแล้วรำคาญโทสะเกิดเพราน้นดูอารมณ์ที่มันเป็นตัวเด่นในปัจจุบันนะตัวภาคเป็นอดีตแล้วตัวปัจจุบันคือรำคาญง่ สมพงเป็นไงสมโพงรอบนี้ดีนะมันยังรู้สึกตัวชัดขึ้นมารู้สึกไหมนะมนรู้สึกตัวชัดขึ้นมาก็ดีแล้วล่ะแล้วค่อยปล่อยมันเกิดจากความจงใจตัวแนนนนี้สมโพงจะไปเอาเบาก่อนเนี่ยไม่ไม่ดีนะมันจะเบลอมันเบาแต่ว่าเบลอๆลอยๆอย่างที่แนนชอบทำอะลอยๆหนีโลกไปเหมือนพวกติดยาเงี้ยไม่ดีนะ รู้สึกตัวไว้หนักนิดนึงก็ยังดีกว่าไม่รู้ตัวเสร็จแล้วเราก็มาสังเกตอีกมันเกิดจากความจงใจที่จะปฏิบัติอ่ะพอเรารู้ทันความจงใจความจงใจดับก็ไม่แน่นนะอ๋อมั น, ม, นมันกลวหลวงพ่อไม่เป็นไรเพื่อนเยอะเนี่ยเห็นไหมเราลืมตัวเองดูออกไหม ให้รู้ทันแค่เนี้นะอย่าคิดที่จะรักษาตัวนี้ไว้อย่าคิดที่จะสร้างตัวนี้ขึ้นมาไม่สร้างไม่รักษาให้รู้ทันตอนที่มันหลงอ่ะพอรู้ว่ามันหลงแล้วมันจะรู้สึกขึ้นมาเองแล้วก็อยู่ได้แว บ, บเดียวเพราะมันเป็นแค่คณิกะสมาธิแล้วพอมันไหลอีกอันนี้จะเห็นเลยว่าใจที่เคยโล่งๆตอนที่รู้สึกตัวรู้สึกไหมว่าโล่งขึ้นมาว่างสว่างขึ้นมาพอเริ่มไหลเข้าไปเนี่ยเริ่มมืดเริ่มมัวเริ่มหนัก ทุกมันเกิดให้ดูเลยเมื่อรู้สึกตัวเนืองๆใจสว่างแจ่มใสเบิกบานพอจิตหลงไปทํางานอีกความทุกข์มันเกิดเนี่ยขณะเนี้ยมัวลงดูออกไหมเริ่มมัวลงนละ่วไม่เลิกคิดดูออกไหมพยายามไปสังเกตมันก็ไม่เอานะไม่พยายามสังเกตบอกแล้วว่าพยายามไม่ได้เพราะอะไรขณะที่สุวะเราเผลออยู่แล้วเรารู้ตัวว่าเผลอเนี่ยจิตเกิดความรู้สึกตัว หลังจากนั้นเนี่ยอาคูสโแท้แล้วอยากรู้ว่าจิตที่รู้สึกตัวเป็นไงแล้วก็พยายามจะดูขณะนั้นไม่มีจิตที่รู้สึกตัวแล้วเหลือแต่จิตที่กําลังอยากดูนะเหลือแต่อาคูสโและจิตเพราะั้นดูลงไปเลยไปจำเอาตัวอาคูสโมาแทนตัวกุศลนะเราะฉะั้นอย่าไปอยากดูไอกฤษดาว่าไงจะส่งกันบ้านไหมเอออยากลดลงก็ทุกน้อยลงเออดีละ นะนี่หัดรู้ไปเรื่อยๆนะความทุกข์มันเกะเจกใจเราดิ้นใจเรามันดิ้นรนท่านท่านท่านนะดิ้นไปหาอารมณ์ทางโลกโลกบ้างดิ้นไปหาธรรมะบ้างทุกข์ทั้งหมดอนะ่นะเมื่รู้ทันใจที่ดิ้นไปดิ้นมาใจเป็นกลางนั่นแนหะนะละหลวงปู่เทศสอนผู้ใดเข้าถึงความเป็นกลางจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเนี่ยใจลงไปดูออกไหม หัดอย่างนี้นะอย่าทำที่ถูกนะแต่ตอนที่มันผิดเนี้ยรีบรู้ให้ไหวนะทำไมมันถึงรู้ไวได้เพราะว่าจิตมันจาสภาวะได้ว่าเผลอเป็นยังไงพอเผลอปั๊บจิตมันสติมันจะเกิดเองนะสติทำให้เกิดขึ้นมาไม่ใช่สติของจริงอ้าเชิญอ้าเดี๋ยวทางนนยกก่อนอเชิญ รู้ไม่ชัดรู้ว่ารู้ไม่ชัดอยากรู้ให้ชัดรู้ว่าอยากรู้ให้ชัดไม่เป็นไรจิตมีโมหารู้ว่ามีโมหาก็ยังได้เลยรู้ไม่ชัดแต่มันมัวรู้สึกไม่มัวยมัวมันมีโมหานั่นแหละก็รู้ว่ามันมัวอยากรู้ให้ชัดรู้ว่าอยากรู้ให้ชัดนี่โลภะเกิดนี่หัดรู้ไปเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงแล้วอารมณ์มีอยู่ตลอดเวลา จิตไม่เคยว่างจากอารมณ์เลยมัวมัวโอ้ดูไม่เป็นละอ้าวก็มัวนั่นแหละเป็นอารมณ์หรือภาวนาไปว่างว่างแล้วจะดูอะไรดีว่างก็รู้ว่าว่างสิว่างก็คืออารมณ์อีกตัวหนึ่งนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นอารมณ์ขึ้นมาให้จิตรู้ได้ทั้งนั้นเลยเชิญบางทีมก็ขี้เกียจบางทีก็โมหะครอบนะแต่ถ้าร่างกายอ่อนเพลียมันก็ง่วงต้องไปนอน แต่ถ้านอนพอแล้วก็ยังซึมอีกเนี่ยแม้ว่าเป็นเรื่อง จ, จิตใจก็ลุกขึ้นมาเดินเดินจงกรมเดินจงกรมธรรมดาแล้วยังง่วงอีกเนี่ยซาปาท่านก็มีหลายมาตรการมันง่วงเหรอพามันเป็นนะพามันใหมายถึงพาร่างกายเนี่ยไป น, นั่งริมเหวอง่วงก็เอา้าลองง่วงง่วงเลยไม่ง่วงครูบาอาจารย์เคยพาทําอย่างนี้ เวลาท่านเล่าไงท่านง่วงท่านเดินไปริมเหวเลยท่านจันจรัลท่านนั่งมันไม่กล้า ง, ง่วงกลัวตกเหวตายนี่ลูกสิธิ์ก็ อ, อ่านประวัติพาาระจ่าโอ้หทราบซึ้งเด็ดขาดเราง่วงเราไปนั่งที่เราเบียงกุฏิมันน่งนัตกเพราะมันรู้ว่าไม่ตายนะเดี๋ยวก็หลับตกลงมาง้นธรรมะเรียนแบบกันไม่ได้นะ อย่าตั้งใจนะรู้สึกไหมมีการกระทาทางใจทันทีที่คิดถึงการปฏิบัติก็เกิดการกระทาทางใจ <Yeah. S 1> การกระทาทางใจนั่นแหละภาษาแขกเรียกว่าพบพอสาเภา พ, อ, พอผ่านสร้างพบตั้งชาติเมื <Yeah. S 1> ่อไหร่เกิดการกระทาทางใจเมื่อนั้นต้องเกิดทุกข์เม <Yeah. S 1> ื่อไหร่ใจของเราเนี่ยพอเราคิดถึงการปฏิบัติเราเริ่มทาใจให้มันไม่เหมือนธรรมดาเนี่ย <Yeah. Yeah. S 1> เราถูกหลอกนะ หน้าที่ของเราไม่ใช่แกล้งทําใจให้ผิดธรรมดาหน้าที่ของเรามีนิดเดียวใจเราขณะนี้เป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่แกล้งทํายังทําไม่เลิกทราไหมะนะอาจจะเพราวะว่านั่งตรงนี้ก็ได้นะ <c oughs> แก้ตัวให้หน่อย <c oughs> ตั้งมากไปไม่ตั้งตั้งไว้กอนแล้วก็รู้ทนันแล้วก็ปล่อยนะครูบาอาจารย์มักจะเน้นอุบายอย่างนี้อย่างหลวงพ่อชา นะบางคนบอกว่าจะทําไงจะปฏิบัติมัชชิมาพอดีพอดนะีท่านบอกว่าเริ่มต้นตึงไว้หน่อยก็ยังดีกว่าเดีนะ๋ยวกะว่าเริ่มต้นพอดีเดี๋ยวก็จะหย่อนไปเริ่มต้นตึงไม่นิดหนึ่งเช่นขยันหน่อยขยันดูหน่อยนะพอขยันดูแหมมันหนักหนักแน่นๆก็รู้ทานออยากมากกะแน่นมากเดีนะ๋ยวค่อยๆ ค, คลายคลายแล้วพอดีถ้าเริ่มต้นจะเอาพอดีเป๊ะเลยนะทําใจเหมือนปกติอย่างนี้เลยเดี๋ยวก็หลุดไปเลย หายไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าอยากอยากปิดปกติแล้วก็ตึงนิดนึงดีกว่าหลวมไปหน่อยหนึ่งนะได้สิถ้าเราฉลาดนิดหนึ่งเรารู้ว่าเราอยากสบายรู้ไปที่ความอยากสบายดูซิว่าความอยากสบายมันเที่ยมไหมนะดูไปตรงนี้เลยเนี่ยเรีกปฏิบัติเสร็จแล้ว ฉะนั้นการทำวิปัสสนาจริงๆไม่เกี่ยวกับการนั่งการเดินการยืนอะไรหรอกนะคอยรู้ทันตาหูจมูกลินก้นกายจะกระทบอารมณ์ความรู้สึกใดแปลกปลอมขึ้มารู้ทันไปเรื่อยเช่นเราอยากนั่งสบายรู้ว่าอยากนั่งสบายนี้ปฏิบัติแล้วจะนั่งสบายแล้วก็เลินนะสามวันสามคืนอย่างนี้ก็ไม่ดีเสียเวลาอะไรนะ เรารู้ทันว่าเราชอบสบายนั่นแหละก้าวหน้านะจิตเป็นอกุศล ร, รู้ว่าเป็นอกุศลนั่นแหละดีดูดูไปเรื่อยๆอีกหน่อยก็จะเห็นเลยความอยากสบายไม่ใช่จิตหรอกเหังเกณฑ์ไหมมันไม่ใช่จิตหรอกเป็นความรู้สึกที่แทรกเข้ามาไอ้จิตเป็นคนรู้เฉยๆจิตมันเฉยๆมันลักษณะของจิตมีอันเดียวไงคือรู้อารมณ์ง่ายนั้นนิดเป็นงนั้นนิด อย่าปล่อยมันซึมนะรู้สึกตัวเล็กเป็นไงเล็กส่งกันบ้านไหมโอเล็กสองเล็กเลยนั่งก้างข้างๆกันนะไม่ส่งกันบ้านเพราะว่ารู้แจ้งแทงตลอดหรือว่าไม่ได้ปฏิบัติ <c oughs> อ้าวหรือมันมีความรู้สึกอะไรละ่ะตอนเนี้ย อัดูต่อไปเรื่อยๆนะดูไปก่อนถ้าถ้าสภาวะอันนี้เกิดขึ้นมาก็รู้ว่ากําลังสงสัยอยู่ตอนนั้นไม่ได้ดูตอนนั้นไม่ได้เพ่งแล้ตอนนั้นกําลังคิดสงสัยเนี้ยนั่นนิดจิตหนีไปเที่ยวนะหนีแวบไปเนี่ยจิตส่งออกนอก ก็ใส่เข้าไปเขาก็มีความสุขดีแล้วะไม่สุขะนะเป็นทางไปปรห ม, มโลกคือาศาสนาพุทธนี่สอนให้เราเห็นทุกข์นะทุกข์มีหลายระดับมากเลยคนในโลกเขาก็รู้จักทุกข์เหมือนกันเพราบว่าถ้าเจออารมณ์ที่ไม่ดีแล้วเป็นทุกข์อย่างถูกเ้าด่าเนี่ยเป็นทุกข์นะหุ่นตกเป็นทุกข์ในสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์ไม่ดีถ้าไปเจออารมณ์ดีแล้วเป็นสุข เนี่ยคนในโลกก็เลยวิ่งหาความสุขกันวิ่งหนีความทุกข์นี่ผู้ปฏิบัติเนี่ยเห็นว่าเออลาพังอารมณ์ที่มากระทบเนี่ยไม่แน่นอนถ้าใจของเราไม่หลงเข้าไปวุ่นวายกับโลกนะใจไม่เป็นทุกข์ใจรู้สึกตัวใจสบายอยู่เนี่ยมีความสุขนะเพราะนัน้กปฏิบัติที่เริ่มปฏิบัติกันใหม่ๆก็จะมารักษาใจตัวเองถ้ารักษาใจได้เราก็มีความสุขละพวกนี้ก็จะไปพรหมโลก แต่ถ้ามีปัญญากล้าขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งก็จะเห็นว่าตัวใจเองนั่นแหละตัวทุกข์ซึ่งเรายังเห็นไม่ได้หรอกถ้าเมื่อไหร่เห็นว่าตัวจิตนั่นแหละตัวทุกข์นั่นแหละจะไม่มีที่ไปต่อเพราะว่าจิตมันทุกข์นี่ไม่ว่ามันจะไปเกิดในภพภูมิไหนมันทุกข์อีกแหละก็จะปล่อยวางจิตงั้นเวลาเราฟังธรรมของพระพุทธเจ้านะเราจะลดระดับคําสอนท่านอยู่เรื่อยๆเพราะเราไม่เข้าใจ อย่างพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าเป็นทุกข์นัคือกายกับใจเป็นตัวทุกข์แต่เราจะไม่เห็นว่ากายกับใจเป็นตัวทุกข์เราจะเห็นว่าถ้าร่างกายไม่สบายถึงจะทุกข์จิตใจของเราเนี่ยถ้าไม่สงบแล้วถึงจะทุกข์เนี่ยต้องมีเงื่อนไขเราไม่เห็นว่าตัวใจเองเป็นตัวทุกข์มีใจก็ทุกข์เพราะใจมีกายทุกข์เพราะกายนะมีลูกก็ทุกข์เพราะลูกอะไรเงี้ยจะไม่เห็นอะจะเห็นแต่ว่าถ้ามันไม่สมอยากถึงจะทุกข์ งั้นสติปัญญาของเราในค่อยฝึกค่อยปฏิบัติไปนะจะเข้าใจธรรมะตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยไปตามลําดับที่แรกไม่ค่อยตรงหรอกอย่างที่พวกเราบอกเราเข้าใจเราเข้าใจนะเราเข้าใจคนละอันหลายคนเลยอ่านที่หลวงพ่อเขียนวิมุตติปติปทาอ่านแล้วเข้าใจค่ะลองซักข้อสี่เข้าใจจริงแต่คนละเรื่องแล้วเป็นธรรมชาติที่เป็นอย่างนั้น อย่างพระพุทธ เ, เจ้าสอนบอกว่าอุปาทานขันขันห้าเป็นตัวทุกข์เราจะไม่เห็นว่าขันห้าเป็นทุกข์เรา้าเราเห็นว่าขันห้าที่แปรปลวนไปถึงจะเป็นทุกข์ขันห้าที่ดีๆเป็นสุขเนี่ยมิจฉาทิฏฐินะเห็นขันห้าที่ดีๆเป็นสุขเช่นสุขภาพดีแล้วเป็นสุขจิตใจถ้ามีอารมณ์ที่เบิกบานทาบุญมาใจเบาๆเบิก บ, บ, บ, บ, บานฟังธรรมะแล้วแช่มชื่นเนี่เห็นว่ามันสุข เราไม่เห็นว่าตัวจิตนั่นแหละตัวทุกยังเห็นไม่ได้เพรางั้นทางปฏิบัติเรายังมีทางที่ต้องเดินต่อไปอีกพระเจ้าได้บอกธรรมะของท่านเหมือนมาหาสมุทรลึกไปตามลําดับลงไปเมตรนึงมันก็มาหาสมุทรเหมือนกันเห็นไหมลงไปกิโลนึงมันก็มาหาสมุทรเหมือนกั น, อ, นอันไหนนะดังนิดหนึ่ง มาหูตึงแล้วอกว่ารู้บยาถึงว่ารู้เนี่ยคือไม่ทราบว่าเอที่มหกันเนันก็ไรืว่ามแ้วอ่าหน้าเราคาจิตมัมนก็อยู่อจิตมันก็เกิดดับอย่างนั้นแหะคือถ้าเรารู้ทันว่าตอนนี้จิตไปฟังฟังหน่อยหนึ่งก็มาคิดคิดไปคิดมาเผลอไปเรื่องอื่นเลยนะกลายเป็นจิตเผลอ ค่อยตามรู้ไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าจิตทุกชนิดเกิดระดับหนเลยนะแต่ไม่ใช่ว่านั่งๆแล้วใจลอยแล้วถามว่าปฏิบัติถูกไหมไม่ถูกหรอกแต่ถ้านั่งๆแล้วใจลอยไปแวบบหนึ่งเกิดรู้ทันว่าเมื่อกี้ใจลอยนี่ค่อยถูกแล้วนะยังทําอยู่ทราบไหมเออนั่นแหะยังไม่ถูกนะตราบใดที่ยังมีการกระทําอยู่เนะบื้องหลังการกระทําก็คือความอยากจะปฏิบัตินั่นเองนะอยากจะพ้นทุกข์ ที่อยากพ้นทุกข์เขเกลียดทุกข์ไม่ชอบไม่ได้เป็นกลางกับมันพอเมื่อไหร่เกิดการกระทําทางใจเมื่อนั้นก็เกิดทุกข์ขึ้นมาสังเกตไหมว่าถ้าเราใจเราทํางานมากก็ทุกข์เยอะนะไม่ใช่คอยรู้ทันการทํางานของใจจนมันเลิกทํางานนะคอยดูไป มันแอบทำงานแล้วรู้ไปรู้ไปในสุดจะไปรู้ว่าความจงใจที่จะไปดูมันทำงานนั่นก็ทำให้เกิดการทำงานนะค่อยๆดูละเอียดขึ้นไปมันเห็นเองอะเมื่อไหร่เกิดความจงใจที่จะไปหมายรู้อารมณ์จิตก็จะไหลเข้าไปแล้วความทุกข์เกิดแต่ค่อยเห็นเอาเองนะอย่าไปดูตรงนี้เพื่อพลาดเลยเดี๋ยวจะกลายเป็นไม่ยอมดูอะไรเลยไ้่ให้รู้ทันจิตที่แอบไปทางาน ดูออกไหมตอนนี้จิต ท, ทำงานอะไรห้า อ, อย่าหลงลงไปรีบถอยออกมารู้สึกตัวไว้ขยับตัวเคลื่อนไหวอย่าให้แช่ถ้าเราไหลลงไปแล้วลงไปแช่นิ่งๆรู้สึกไหมเออไม่เอาอย่างนั้นา ก, การไหลลงไปนอนแช่ไม่ดีเลยนะเป็นการหลงเป็นโมหะมอย่าอยากให้ขึ้นนะอยากขึ้นไหม ใช่สิเพราะว่าไอ้ตัวที่ลงไปนอนแช่ก็เป็นทบอันหนึ่งเบื้องหลังของมันก็คือความอยากนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไรปฏิบัติแล้ว ร, รู้ทันถึงความอยากนะอันนั้นจะขาดสะบั้นเลยยกตัวอย่างอีกอันเช่นกําลังโกรธอยู่แล้วเราดูความโกรธเนี่ยไอ้ความโกรธไม่หายที่ความโกรธไม่หายเพราะอยากให้หายอยู่จิตกําลังมีโทสะคือโกรธไอ้ความโกรธตัวแรกอะ่ะงั้นไม่หายแต่พอเรารู้ทันว่าเราอยากให้หายโกรธนะความโกรธจะขาดสะบั้นเลย จะหายหมดเลยเพราะงั้นอย่างเราใจเราแอบไปทํางานเราอยากให้หลุดออกมารู้ทันที่อยากเนี่ยรู้ทันนะอันนั้นหลุดหมดเลยนะตัดต้นทางของมันเราะงั้นท่านถึงสอนว่าสมูทไทยให้ละละที่อยากองมีปาคละไม่ไม่เป็นไรไม่ทราบก็ไม่เป็นไรนะถูกบ้างผิดบ้างก็ยังดี ไม่ต้องถูก 100% รู้ทันกําลังพยายามอยู่เี่ยกําลังอยากจะกรบเกลือนอยู่รู้ทันตรงอยากจะกรบเกลือนเลยรู้ตรงทันความพยายามจะกรบเกลือนรู้สึกไหมว่าอยากกรบเกลือนดูไปตรงที่อยากอะ่ะอย่าไปดูตรงที่โกรธเคขาอย่าไปดูตัวเพ่งโทษเขาให้รู้ว่าอยากอยากไม่ให้เขารู้อยากกรบเกลือน ถ้าเราดูจิตยอยู่ตาเราไม่ถมึงถึงหรอกถ้าเราดูเขาเนี่ยตาเราถมึงถึงถ้าดูจิตเราจะตานิ่งๆอาเชิญ คือคือมันปัญญามันมีหลายตัวนะถ้าเบื้องต้นเนี่ยใจเรามันอยากรู้มันอยากวิเคราะห์ห้ามมันไม่ได้ก็รู้ว่ามันอยากวิเคราะห์ไปแต่ว่าถ้าปัญญาเรากล้าขึ้นมาเนี่ยมันจะเห็นความอยากวิเคราะห์ละแล้วขาดตรงนั้นเลยคือส่วนมากเราจะกลัวโง่เรากลัวไม่มีความรู้จะต้องไปวิเคราะห์เพราะทนไม่ได้แต่ถ้ารู้ทันนะัเนี่นี่มันคือกลัวโงนะ่แล้ว รู้ทันใจตัวเองจริงๆนะไอ้การที่จะปรุงแต่งการวิเคราะห์จะขาดไปเลยนี่แล้วแต่ว่ากําลังของเราจะทําได้ขนาดไหนถ้ากําลังแก่กล้ารู้ว่าใจมันคันมันจะคันคันมันจะทนไม่ได้มันถูกเร่าให้ไปวิเคราะห์เพราะกลัวไม่รู้ถ้ารู้ทันตรงนี้ก็ขาดเลยแต่ถ้ารู้ไม่ทันมันก็ไปวิเคราะห์ก็รู้ว่าไปวิเคราะห์ก็ช้าไปนิดนึงแต่ว่ามันช่วยไม่ได้มันห้ามไม่ได้เพราะมันอยากวิเคราะห์ ถ้ารู้ต้นทางได้ก็ง่ายกว่าแต่ต้องใจเด็ดเอาแนนจะถามอะไรไหมแนนเมื่อกี้ก็ดีๆอยู่นะทไมนั่งไปนั่งมามันทื่อๆเลยอีออกแล้วอ๋อ <laughs> คนมาวัดนี่นะโอ้ลำบากเนะาะเชา้าเช้าเป็นชาวเมืองปกตินอนดึกไงมาวัดตื่นตีสี่ตีห้าลำบาก แล้วมทอที่ที่บอกว่า <c oughs> ตั้งใจมากไใจ <c oughs> แล้วก็ให้ให้ใ ห, ให้ต้องใจเด็ดแล้วก็ไม่ต้องปฏิบัตรรรริไม่ต้องทำสมาธรสมาธิไม่ต้องคืองนี้ดูดูตรงนี้ดูที่ใจเราชอบแอบไปทํางานอะ่ะนะแล้วตามรู้มันไปรู้ทันมันนะอย่างใจเราชอบปรุงแต่งรู้สึกไหมทํางานต่างๆนานานะเช่นปฏิบัติทำด้วยให้รู้ทันมันนะที่บอกว่าไม่ต้องปฏิบัติไม่ใช่ว่าไม่ให้ดูนะ หมายถึงให้ตามรู้ไปแต่ว่าพวกเราพอถึงคิดถึงการปฏิบัติเราก็วางฟอร์มขึมขึมเนี่ย <c oughs> ทําเป็นขึมขึมแล้วเราค่อยดูอย่างนี้ไม่ถูกมันเป็นยังไงรู้เข้าไปตรงตรงเลยผมก็เลยปล่อยตัวสบายเลยพอสบายแล้วคือตัวเองไม่ได้ปฏิบัติอะไรเล ย, เลยอไม่ใช่อย่างนั้นนะมันปล่อยเยอะไปคือเราอะมีหน้าที่อันนึงคือหน้าที่ตามรู้ความรู้สึกของเราไปเรื่อยๆทําแค่นี้ แต่ไม่ได้มีหน้านที่ไปปรุงแต่งความรู้สึกมันก็รู้อยู่ของอย่างที่ก็คือรู้เออตอนนี้เราอักขรดตอนนี้เราคิดกุศล ส, ส่วนในที่เบอเบอร์หลงลงไปโมหะไปที่นี่มันมันเยอะมากอ่มันไม่รู้มันจะรู้เฉพาะแรงแรงอ่ไม่เป็นไรให้รู้บ้างก็ยังดีอี๋ไหนก็รู้เยอะ <c ười> คือคือนี้บอกว่าหน้าที่ของเรานะคือรู้ทันความปรุงแต่งของจิต ถ้าเรารู้ทันความปรุงแต่งความปรุงแต่งน้อยกขาดไปจิตก็พ้นไปอย่างการที่จิตมันเกิดคันคัน ข, นขนห้นม่นี่ก็ปรุงแต่งการที่เราส่งใจเข้าไปพิจารณาไปวิเคราะห์ก็คือเข้าไปปรุงแต่งเข้าไปทํางานแล้วเราไปสร้างพบสร้างชาติสร้างงานขึ้นมาแต่ว่าอยู่ๆจะให้รู้แล้วขาดปับป๊บปเนี่ยบางคนทนไม่ไหวเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือจิตปรุงแต่งแล้วค่อยรู้ทันรู้ความปรุงแต่งรู้ทันว่าจิตปรุงแต่งไม่ใช่ไปรู้เรื่องที่แต่งนะ จำเป็นนะถ้าเกิบ ท, ทําแลา้วกิเลสจะลดลย่างไรเป็น<ะ> ว, วัดได้ไหมครับว่าไม่ได้ไม่ได้ตัววัดใช้ตัวนี้ว่าเราเผลอสั้นลงไหมออนะอย่างคนที่เคยปฏิบัติแล้วทํำด้วยสมถานะนั่งเพ่งลูกเดียวเพ่งเพ่ ง, เ พ, งเพ่งนะบอกไม่เคยมีกิเลสเลยนะต่อมาพามหัดเจริญสตนะิกิเลสขึ้นมาเป็นกองทัพเลยเพราะงั้นจะบอกว่าเห็นกิเลสเยอะขึ้นแสดงว่าปฏิบัติแย่ลงไม่ใช่ แต่เดิมมากิเลสสังในกรอบมันไว้ไม่เคยเห็นงั้นพอไม่ไปบังคับไม่ไปกดขมม่มไม้ก็โขึ้นมาหน้าที่คือเผลอสั้นลงไหมอ๋อนัคือตัววัดรู้ร ไ, ดรได้มากขึ้นไหมรู้ได้ไวขึ้นไหมเคยเผลอทีหนึ่งสามชั่วโมงตอนนี้พอใจไหลแวบรู้ความโกรธผุดปุ๊บรู้แต่เดิมต้องโกรธไปชั่วโมงแล้วค่อยรู้หรือเมื่อวานโกรธวันนี้รู้อะไรอย่างเงี้ยรู้ได้ไวขึ้นไวขึ้นก็ใช้ได้ แต่ถามว่าแล้วกิเลสจะน้อยลงไหมกิเลสยิ่งเยอะกว่าเก่าอีกเพราะกิเลสแต่ละตัวน่ะอายุสั้นพอไหวแวบเรารู้ขาดไปเดี๋ยวมันก็ตูงขึ้นมาอีกเพราะอนุสัยมันอยู่นะตูงขึ้นมาอีกรู้อีกขาดอีกเห็นในใจหลวงพูบอกว่าปฏิบัติไปแล้วกรบุญทั้งห้าจะลดลงไปผมก็ยังกิเลสเหมือนเดิมกรมบุณทั้งห้าเนี่ยจะลดลงตอนเป็นพระสกิทาขานะแล้วหมดไปตอนเป็นพระนาคานะ งันกรรมาคุณไม่หายไปอย่าตกใจนะปกตินะถ้าหายไปลราผิดปกตนะิแต่มาสมัยภาวนาไปก่อนภาวนาไปจิตรวมปุ๊บมีวันหนึ่งรวมปุ๊บลงไปการมาราคาหายไปหมดเลยนะเว้ยบรรลุภาวนาขาแล้วมั้งนึกว่าบรรลุแล้วแต่ไม่เชื่อง่ายๆเวลาท า, านข้าวสังเกตยังยินดีในกับข้าวบางอย่างอยู่โอ้มันยังอยู่นี่ ไม่เชื่อมันหรอกนะแต่ดูยังไงมันก็ไม่ยอมขึ้นมานะแย่มันพยายามคิดเรื่องรามโมยกยบกบเรดมันก็ไม่ขึ้นนะอุตสานะไปยืมหนังสือโปเข้ามาดูดูดู ด, ด, ดูดูตั้งหลายวันนะเนี่ยแต่ค่อยว่าขึ้นมาโอ้ดีใจเจอกิเลสแล้วเพราะงั้นไม่ใช่กิเลสหายไปเราต้องดีใจนะต้องระวังว่ามันผิดชั้นผิดภูมิเราไหมนะวันนี้พอสมควรนะเดี๋ยวอาตมาต้องไปธุระใครไม่มีหนังสือ